เราจึงหันไปหาเอ็ดวินเพื่อขอความแนะนำในเรื่องนี้เพราะแม้เราจะรู้ถึงความจริงดังกล่าวมาแล้วดีก็ยังไม่เคยทดลองให้ประจักษ์ด้วยตนเองดังนั้นเมื่อถึงคราวที่จะต้องลองกระทำบ้างจึงไม่ทราบว่าจะขึ้นต้นอย่างไรเอ็ดวินได้บอกเราว่าเรื่องช่นนี้ไม่ใช่ของยากพอเรารู้วิธีซะแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีปัญหาแตอย่างใด ข้อสำคัญประการแรกก็คือเราจะต้องมีความไว้ใจว่าเราจะต้องทำได้ประการที่สองเราจะต้องตั้งใจจริงๆคืออธิษฐานจิตให้แน่วแน่ไม่ใช่ทำเป็นเล่นๆหรือลองดูอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพูดกันอย่างสำนวนโลกมนุษยก็คือเราจะต้องตกลงใจอย่างแน่วแน่ว่าเราจะไปที่นั่นให้ได้จะไปที่ไหนก็ตาม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 เมื่อเกิดความเคยชินเสียแล้วขณะใดที่เราคิดว่าเราต้องการจะไปที่ไหนในพริบตาต่อมาเราก็จะได้ไปอยู่ณที่นั้นจริงๆแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบเป็นการหมายเหตุไว้สักเล็กน้อยก่อนว่าความสามารถเช่นนี้คงเป็นไปได้เฉพาะในภูมิชั้นแห่งโลกทิพย์ซึ่งเราอาศัยอยู่ในขณะนี้เท่านั้นเพราะยังมีโลกที่อีกหลายภูมิหลายชั้นที่สูงกว่า และต่ำกว่าภูมิที่เรากำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันในภูมิชั้นแห่งโลกที่อื่นๆดังที่กล่าวมานี้เราย่อมไม่สามารถที่จะล่วงล้ำเข้าไปได้โดยอิสระนอกจากในโอกาสพิเศษที่เรามีผู้คุ้มครองนำไปด้วยหรือในโอกาสที่เราได้ขยิบสภาวะแห่งจิตของเราให้ประณีตสูงขึ้นจนสมควรแก่ภูมินั้นเสียก่อนจึงจะผ่านเข้าไปได้โดยในยะนี้ ความสามารถที่จะไปไหนได้ในพลิบตานั้นจึงหมายความว่าสถานที่เหล่านั้นจะต้องอยู่ในอาณาบริเวณของโลกทิพในชั้นภูมิที่เราดารงอยู่เท่านั้นเมื่อข้าพเจ้ากับรูตต้องการจะทดลองความจริงข้อนี้ดูบ้างเอ็ดวินได้กล่าวเป็นเชิงให้ใหายวิตกกังวลว่าสิ่งที่เราไม่ควรต้องกลัวอีกประการหนึ่งก็คือการหลงทาง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 ของชาวโลกทิพย์ทั่วไปมากเอ็ดวินเด็กล่าวว่าการทดลองครั้งแรกๆนี้คงจะทำให้เราสนุกและตื่นเต้นมิใช่น้อยและเด็กกล่าวย้าว่าไม่ต้องกลัวอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเลยไม่ห่างจากเราเป็ดเบื้องหน้ามีกอไม้เล็กๆกอหนึ่งคิดเป็นระยะทางของโลกมนุษย์ก็คงจะอยู่ในระยะประมาณ1ิบเซนคือประมาณ4ี่รอเมตร ซึ่งเอ็ดวินแนะนำว่าในครั้งแรกนี้ให้เราทั้งสองอธิษฐานจิตว่าจะไปอยู่ณที่นั้นในครั้งแรกให้เราเพ่งไปที่กอไม้กอนั้นให้แน่วแน่และถ้าเรายังรู้สึกตื่นเต้นมากจะจับมือกันไว้ก่อนก็ได้แต่ให้เราทั้งสองไปกันตามลำพังโดยเขาจะนั่งรออยู่หน้าที่เดิมรูดกับข้าพเจ้าคงจะมีความประมาณและตื่นเต้นไม่น้อยรอเป็นเวลาครู่หนึ่ง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 เราก็รู้สึกตัวว่าได้มาอยู่ที่ก่อไม้นั้นเสียแล้วเราทั้งสองมองดูหน้าการอย่างเครื่องประหลาดใจและเครื่องสนุกเมื่อหันกลับไปมองดูตามทิศทางเดิมก็เห็นเอ็ดวินกำลังโบกมือให้แก่เราอยู่ไหวๆในทันใดนั่นเองก็มีอะไรบางอย่างแปลงประหลาดเกิดขึ้นเราต่างรู้สึกว่ามีแสงประหลาดสว่างวูบมาตรงหน้าพร้อมกันนั้น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 เราทั้งสองกําลังปรึกษากันว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงของเอ็ดวินจริงหรือเปล่าก็าพอดีได้ยินเสียงเอ็ดวินดังลอยมาอีกว่าเขาได้ยินที่เราปรึกษากันแล้วและขอรับรองว่าเป็นเสียงของเขาอย่างแน่นอนซึ่งทําให้เราเพิ่มความประหลาดใจและดีใจมากขึ้นที่เห็นประจักษ์พยานแห่งอํานาจของความคิดว่าเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เราจึงตกลงว่าจะกลับไปหาเอ็ดวินอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้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 จึงสามารถได้ยินเสียงของกระแสความคิดที่แอดวินส่งมานั้นได้ไม่ว่าระยะทางจะใกล้หรือไกลสักปานใดโดยในาติเดียวกันเมื่อเราจะส่งกระแสจิตของเราไปถึงผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทิพนี้ไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงด้วยความรักใคร่หรือจะเป็นการบอกข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามกระแสจิตนั้นจะไปถึงผู้รับในทันทีเหมือนกัน สภาวะของโลกที่เป็นอย่างนี้ซึ่งหากท่านจะถามข้าพเจ้าว่าเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าก็คงจะตอบไม่ได้เพราะมีปรากฏการณ์หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเรายังไม่อาจทราบเหตุผลได้ในขณะนี้สึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเพียงแต่รับรู้ไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเวลาหนึง่งซึ่งเมื่อเรามีจิตปราณีตสูงขึ้นกว่านี้ก็จะทราบได้เอง อย่างไรก็ตามในเรื่องการส่งกระแสจิตนี้ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าดวงจิตของเราจะเป็นเหมือนหน้าหนังสือที่เปิดไว้อยู่เสมอให้ใครอๆอ่านได้ตามชอบใจความจริงไม่ใช่เช่นนั้นในบางกรณีหากเราต้องการจะคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบเช่นนี้ก็ยอมทำได้แต่โดยปกติ หากเราปล่อยใจตามสบายให้ความคิดล่นไปโดยไม่ได้ควบคุมไว้เป็นพิเศษแล้วผู้อื่นก็อาจท ร, ราบกระแสจิตของเราได้ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าในโลกทิพนี้ความคิดเป็นสิ่งที่มีตัวตนไม่ใช่เป็นของลอยๆอยไม่มีตัวตนหรือไม่มีอำนาจอันใดเช่นในโลกมนุษย์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 ณ น, นี้เราได้เข้ามาใกล้เมืองที่เห็นอยู่แล้วนั้นดังนั้นภายในเวลาไม่ช้าเราก็เข้าไปถึงตัวเมืองภายในเมืองมีอาณาเขตกว้างขวางมากมีอาคารงดงามมากมายหลายแห่งแต่ละอาคารมีสวนและต้นไม้ให ญ, ใหญ่แวดล้อมอยู่โดยรอบความสวยงามและลานตาของสวนในเมืองนี้ยากที่จะกล่าวเปรียบเทียบให้ท่านเห็นจริงได้นอกจากจะกล่าวว่าสวนที่สวยที่สุดในโลกมนุษย์นั้น เมื่อมาเปรียบกับสวนที่นี่แล้วก็เป็นอันว่าห่างไกลกันมากจนบอกไม่ถูกเท่านั้นเองขณะที่เราเดินไปตามพื้นหญ้าอัน่อนอนุ่มนั้นทำให้ข้าพเจ้าหวนระลึกไปถึงเมืองในโลกมนุษย์ซึ่งมีอาคารร้านโรงต่างๆหลกติดกันอย่างแออัดถนนหนทางที่แคบและครุกระและมีอากาศเหมนอับอยู่เกือบตลอดเวลาทั้งนี้เพราะพื้นที่ในโลกมนุษย์มีราคามาก นอกจากนั้นความคับคั้งของยวดยานและเสียงอุกทึกต่างๆอันเกิดจากยวดยานบ้างเกิดจากเสียงเอ็ดอึงอย่างอื่นอีกบ้างทําให้รู้สึกว่าน่าจะเป็นสถานที่ให้ความเดือดร้อนและอึดอัดยิ่งเสีย ก, กว่าความสะดวกและสบายชีวิตของชาวโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความกระหืดกระหอบร้อนรนวุ่นวายต้องแข่งแย่งกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่จะมีค่าวฝ่ายจะปล่องโรง ง, งาน เป็นเครื่องเพิ่มความรำคาญให้ทุกขณะแต่ในที่นี้เราเห็นสนามหญ้าอันเกียวขจีดุดสีมรกตขึ้นได้ระดับเรียบเสมอกันโดยตลอดหน้าที่แห่งหนึ่งซึ่งดูเหมือนจะเป็นกลางใจเมืองเราเห็นตึกหลังหนึ่งตั้งเด่นอยู่ที่ศูนย์กลางของทางหลายสายซึ่งมาบรรจบกันณที่นั้นเบื้องบนจะลายเห็นลำแสงพวยพุ่งลงมาที่ยอดโดมของตึกนี้ ซึ่งเราก็รู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องให้เอ็ดวินบอกว่านี่คือโบสถ์นั่นเองบรรดาอาคารในเมืองนี้สร้างขึ้นไว้เพื่อความประสงค์หลายอย่างต่างๆกันที่เป็นไปเพื่อการศึกษาวิชาต่างๆก็มีและที่เพื่อส่งเสริมงานศิลปกรรมก็มีอาคารและสาธารณาสมบัติเหล่านี้เป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปจริงๆไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะส่วนตัว และก็ไม่มีการห่วงห้ามหรือสงวนไว้ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนตัวเลยทุกๆคนหรืออันที่จริงคือทุกๆวิญญาณสามารถจะศึกษาวิชาการต่อในแขนงที่เขาชอบมาตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้ตามความสะดวกหรือมิฉะนั้นหากมีวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เขาไม่มีโอกาสศึกษาตามใจชอบเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเหตุขัดข้องทางการอาชีพหรือทางการเงินหรือด้วยเหตุอื่นอืนก็ตามเขาก็สามารถจะศึกษาต่อไปได้ในโลกนี้อย่างสมใจรักทีเดียวศิลปกรรมภาพเขียนห้องแรกที่เอ็ดวินนำเราเข้าไปนั้นเป็นห้องแสดงศิลปกรรมภาพเขียน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 เราจึงได้บอกเอ็ดวินว่าเราได้เคยเห็นต้นฉบับหรือตัวจริงของภาพจํำลองเหล่านี้มาแล้วเมื่อก่อนที่จะมาสู่โลกนี้แต่เราต้องได้รับความประหลาดใจอย่างไม่นึกไม่ฝันที่ได้ยินเอ็ดวินบอกว่าภาพต่างๆในโลกนี้แหละคือตัวจริงส่วนภาพที่เราเห็นในโลกมนุษย์ทั้งๆที่เราก็รู้อยู่ว่าจิตกรได้เขียนขึ้นมาด้วยมือของเขานั้นล้วนเป็นภาพจาลองทั้งสิน้น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 แต่เมื่อเขาลงมือเขียนภาพไปได้จริงๆน้อยนักที่จิตรกรผู้นั้นจะเขียนภาพออกมาให้มีความงามสมบูรณ์ดังเช่นที่ตนคิดฝันเอาไว้ทั้งนี้เพราะเหตุต่างๆหลายประการทางวัตถุและร่างกายเช่นวัตถุที่ใช้ทำสีไม่มีคุณภาพดีพอที่จะทำให้ได้สีสดเหมือนกับภาพในห้วงนึกหรือพื้นผ้าใบไม่มีเนื้อละเอียดพอและเหตุอื่นๆอีก นอกจากนั้นเมื่อการล่วงไปความงามของภาพนั้นๆก็ย่อมร่วงโรยตามไปด้วยอำนาจแห่งลมฟ้าอากาศซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดความเสื่อมโทรมและสึกหรออยู่เป็นนิดส่วนภาพในห้วงนึกของเขาซึ่งปรากฏในที่นี้จะคงสดใสยอยู่ในสภาวะเดิมเช่นนั้นตลอดไปนี้เป็นเครื่องแสดงว่าภาพที่เราเห็นอยู่หน้าเบื้องหน้าเรานี้นอกจากจะเป็นภาพต้นเขา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 จะต้องมาปรากฏอยู่ณที่นี้เสมอไปแล้วเราจะหาสถานที่สําหรับไว้ภาพเหล่านั้นได้อย่างไรจึงจะเป็นการเพียงพอกันกับจำนวนของภาพซึ่งเกิดมีเพิ่มขึ้นยังไม่รู้จักจบสิน้นเพราะการที่จะคัดเลือกออกตามใจ ช, ชอบเป็นบางภาพเพื่อเก็บไว้ตามอำเภอใจของใครคนหนึ่งณที่นี้ดูออกจะขัดกับหลักความเสมอภาคในโลกนี้อยู่ไม่ใช่น้อย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 สำหรับความเห็นผิดอันเกิดจากมานะมานะในที่นี้เป็นความหมายทางธรรมะนะครับคือความถือตัวความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถือสูงถือต่ำยิ่งใหญ่เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อื่นหรือความอยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่หนังสือประวัติศาสตร์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 คือประวัติศาสตร์ทางการเมืองส่วนประวัติศาสตร์ของฝ่ายศาสนาก็มีจ้ารึกไว้เช่นเดียวกันเมื่อได้สํารวจดูโดยทั่วไปแล้วก็ได้พบความจริงที่น่าสังเวชว่าความเป็นไปในวงการคณะสงฆ์นี้ในที่นี้หมายถึงนักบวชในศาสนาของเขานะครับก็ได้พบความจริงที่น่าสังเวชว่าความเป็นไปในวงการคณะสงฆ์นี้โดยเนื้อแท้แล้วก็หาได้มีความเป็นไป อันสูงส่งกว่าของฝ่ายค า, ารวะแต่ประการใดไม่อันที่จริงน่าจะเรียกว่าเลวร้ายเสียยิ่งกว่าฝ่ายค า, ารวะเสียด้วยซ้ำเมื่อคิดถึงว่าผู้ที่ครองความเป็นใหญ่ทรงเกียรติคุณอันสูงส่งอย่างในสายตาของชาวโลกมนุษย์บางท่านสามารถกระทำการชั่วช้าเลวทรามได้ขนาดนั้นน่าสังเวชใจที่ท่านเหล่านั้นเบื้องหน้าฉากก็ดูเป็นผู้ฝักใฝ่ในศิลธรรม แต่เบื้องหลังกลับยอมตนเป็นเครื่องมือของคนเรลวซามบางจำพวกได้อย่างน่าละอายยิ่งเอ็ดวินที่กล่าวเตือนข้าพเจ้าอยู่เหมือนกันก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้ศึกษางานในด้านประวัติศาสตร์นี้เขาคงเกรงว่าข้าพเจ้าจะพบความจริงอันน่าสังเวชเกินไปอาจทำให้จิตใจไม่เป็นปกติก็ได้ในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นความจริงอยู่บ้าง เพราะทั้งที่ข้าพเจ้าได้รู้ล่วงหน้าอยู่บ้างแล้วก pues ็ allora so, ard, honest, e s, <S วยังอดมีจิตใจไม่ปกติในเมื่อได้ศึกษาลายเห็นความจริงอันน่าตกใจและชวนให้สังเวชโดยไม่มีสิ่งใดเคลือบแฝงซึ่งต้องทำให้ประสบความผิดหวังในความนับถือและความเชื่อเก่าเก่ามากถึงเพียงนี้การศึกษาวิชาการต่างในที่นี้ประทําได้อย่างกว้างขวาง และเป็นอิสระเต็มที่ประการแรกก็คือการเป็นอิสระจากข้อขัดข้องท้งร่างกายเช่นความหิวกระหายความเมื่อยขบทั้งร่างกายและทางสมองประการที่สองก็คือไม่ต้องคํานึงถึงความล่วงไปของเวลาเรามีสิทธิและความสามารถที่จะค้นคว้าไปได้ตราบใดที่เรายัางพอใจและเราจะหยุดเสียเมื่อใดก็ได้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 เป็นความปรารถนาของชาวโลกทิพทั้งปวงในที่นี้รับรองว่าไม่มีการบังคับให้ทําทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมทุกๆคนจะเลือกศึกษาวิชาที่ตนสนใจและทํางานที่ตนรักได้โดยเสรีหลายท่านที่ข้าพเจ้าได้พบปากและสนทนาด้วยในภายหลังได้แจ้งความจริงข้อนี้ให้ข้าพเจ้าทราบด้วยความปรีติยินดี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 หลังจากได้ดูความเป็นไปในตึกนี้พอสมควรแล้วเอ็ดวินได้ชวนให้เราออกมานั่งเล่นที่สนามหญ้าภายนอกเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เสียบ้างเขาได้กล่าวว่าข้าพเจ้ากับรูธเป็นผู้สงบใจได้ดีโดยที่ไม่ได้มีความรู้ล่วงหน้ามาแต่ก่อนเลยผู้อื่นมักจะมีความตื่นเต้นจนระ ง, งับไว้ไม่อยู่และมีเรื่องซักถามไม่ค่อยได้หยุดเมื่อเราทั้งสองได้ยินเอ็ดวินเอ่อยเช่นนั้นก็นึกขึ้นมาได้ จึงบอกแกเขาว่าอันที่จริงเราก็มีเรื่องสงสัยอยากจะถามอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบจะขึ้นต้นถามเรื่องอะไรก่อนดีเท่านั้นอนาเขตของโลกทิพย์ความสงสัยประการแรกของข้าพเจ้าก็คือเรื่องอนาเขตของโลกทิพย์ ที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เท่าที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นรู้สึกว่าและดูไกลออกไปสุดสายตาโดยรอบด้านอันที่จริงสายตาของเราในขณะนี้ก็สามารถมองเห็นได้ไกลกว่าสายตาของมนุษย์แม้จะเป็นในขณะที่อากาศในโลกมนุษย์แจ่มใสปล่อยโปร่งที่สุดก็ตามยอมเป็นเครื่องแสดงว่าอนณาเขตของโลกนี้มีกว้างใหญ่ไพศาลสักเพียงไหนเราเท่าที่เราไลเห็นได้ หรือได้ไปเห็นมานี้ก็เป็นส่วนน้อยนิดเดียวเลอะเกินยิ่งคิดไปก็ยิ่งทําให้เกิดความสงสัยขึ้นทุกทีว่าโลกทิพนี้จะมีขอบเขตบ้างหรือไม่ถ้ามีจะอยู่ที่ไหนและพ้นจากนั้นไปจะเป็นอะไรกันแน่เรื่องนี้เอ็ดวินได้ให้คําตอบแกเราว่าอนณาเขตของโลกทิพนี้ต้องมีอยู่เป็นแน่และถ้าเราจะไปดูเมื่อใดก็ได้ตามความปรารถนา ส่วนที่นอกเหนือจากอนณาเขตนั้นไปก็คงเป็นโลกทิพชั้นอื่นอื่นอันประนีตขึ้นไปกว่านี้บ้างก็มีและที่อยาบ ก, กว่านี้ก็ยังมีการที่บุคคลแต่ละคนจะผ่านเข้ามาสู่โลกทิพภูมิไหนหลังจากที่ได้ละกายเนื้อมาแล้วนั้นก็สุดแล้วแต่กรรมของตนที่สะสมไว้ในโลกมนุษย์จะหยาหรือละเอียดเพียงใดกล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือ เขาจะได้อยู่ในโลกทิพย์อันต่ำหรือสูงเพียงใดก็สุดแล้วแต่ความหยาบหรือประณีตแห่งจิตของเขานั่นเองเพราะดินแดนอันเป็นทิพย์เหล่านี้ละ่ะคือผลแห่งกรรมอันบุคคลได้หวานไว้ในโลกมนุษย์ซึ่งกรรมนั้นๆได้มาออกผลรอคอยบุคคลนั้นๆอยู่ตามภูมิอันสมควรแก่กรรมของเขาณที่นี้อันที่จริงยังมีภูมิแห่งโลกทิพย์ที่สูงและประณีตกว่าภูมิที่เราอยู่นี้อีกมากนะัก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 และต่ำกว่าเรานั้นหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียงเรื่องโบทก็เป็นไปนตามหลักที่กล่าวไว้ต้นเรื่องนะครับว่าบุญยอมส่งคนที่มีความต้องการระดับเดียวกันไปอยู่รวมกันตถาถานประกอบพิธีที่คนกลุ่มนั้นพอใจยอมปรากฏขึ้นให้มีให้เป็นไปนตามสิ่งที่ชอบใจตามกำลังบุญที่มี ให้ได้ทำพิธีกรรมเหมือนที่เคยชอบและยังมีความต้องการในเรื่องการศึกษาศิลปะดนตรีที่เป็นเพียงการเสบสุขอีกประการหนึ่งนั้นมองผิวเผินอาจเป็นสุขที่หลายคนต้องการแต่มองตามจริงจะเห็นว่าเป็นสุขที่ไร้สาระเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะวิชาที่เป็นไปเพื่ออาชีพทางโลกหรือแค่เพื่อความเพลิดเพลินยอนใจนะครับจิตที่ยึดมั่นรักชอบในวิชาการที่ไม่เกี่ยวกับทางดับทุก ย่อมเกิดเป็นแรงผูกพันให้ต้องกลับมาคล้องกับโลกต้องเกิดใหม่ไม่รู้จบเพื่อสนองแล้วระบายออกในวิชาที่ตนมีตัวอย่างนี้เห็นได้จากอัจฉริยะแต่วัยเด็กหลายคนจะแตกต่างจากเด็กทั่วไปและฉลาดเก่งจนไม่น่าเชื่อซึ่งท่านว่าหลายคนเพราะศึกษาจากโลกทิพย์ญาอยานาญก่อนแล้วแต่ความเก่งนั้นถ้าไม่มีศีลธรรมหรือไปเจอสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็อาจนําความเสียหายหนักให้ตนด้วยแรงหลายเท่าเช่นกันนะครับ ในเรื่องการสนใจศึกษาวิชาในสวรรค์ต่อ น, นั้นท่านมาเป็นเพราะความปรารถนาอันแรงกล้าที่ฟังอยู่ในจิตตอนเป็นมนุษย์ยังไม่ได้รับความตอบสนองอย่างพอเพียงเมื่อได้เกิดในสวรรค์บุญจึงจัดสรรให้ได้สมใจอยากเพราะบุญมีหน้าที่ให้ความสุขเมื่อเจ้าตัวต้องการสุขด้านนี้จึงต้องมีสิ่งที่มาตอบสนองให้สมกับที่เป็นพลังแห่งบุญนะครับจะเห็นได้ว่าการตอบสนองในแง่ความต้องการแบบนี้ จะไม่ได้ทำให้พ้นทุกไปได้ง่ายๆ ย, ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดเพื่อศึกษาให้ยิ่งขึ้นหรือแม้จะคิดว่าพอใจแล้วกับวิชานั้นก็มาเจอเปลี่ยนไปชอบหรือเรียนรู้วิชาอื่นกันต่อไปและหลายวิชาก็หาที่สุดไม่ได้นะครับเช่นในทางศิลปะหรือดนตรีเมื่อเก่งระดับหนึ่งต่อมาไม่นานก็จะมีคนเก่งกว่าเสมอยังไม่นับกับเรื่องที่ดนตรีเป็นตัวหลักให้เกิดโมหะขวางการเจริญสติขวางการบรรลุธรรม พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงห้ามสวดมนต์เอื่อนเสียงแบบการร้องเพลงมีมันในพระวินัยปิฎกนะครับและท่านยังตั้งข้อสําคัญให้พระนำไปปฏิบัติคือให้เลิกยุ่งเรื่องทางโลกเลิกทําตัวแบบชาวบ้านเรียกการสนทนาเรื่องทางโลกว่าเยรชานคถาให้สนใจแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวหากไม่อยากเสียเวลาไปเป็นเทวดามิจฉาทิฏฐิก็ควรเร่งศึกษาปฏิบัติธรรมสะสมวิบาก ค, คือความเคยชินในตอนเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นภพภูมิเดียวที่จะเินในธรรมได้ง่ายที่สุดนะครับ